ป่าสามัคคีเพื่อสงเคราะห์โลกและกับจตุปัจจัยที่วัดของเราก็ได้ร่วมสมทบไปพอสมควรเมื่อวานเลยไม่แค่พอสมควรแล้วมากพอสมควรหนักสําหรับวัดเราเหมือนกันเจตุปัจจัยที่ได้รวบรวมไปเพื่อถวายลงตาที่หลวงตาได้เมตตาสงเคราะห์ไปสงเคราะห์ขนาดนั้นก็น่าว่าเป็นบุญกุศลของวัดป่าพี่ไม้ แล้วก็เป็นวัดที่หลวงพ่อได้ก่อสร้างได้สร้างขึ้นแล้วก็หลวงตาท่านก็จะไปเมตตาพ้าป่าเพราะคณะสงฆ์คณะสัตย า, า, า, าติโยมวัดป่านาคำน้อยนะหลวงพ่อได้เอาปัจจัยไปถวายพรป่าเป็นพ้าป่านะห้าแสนน้ำมันวานนี่นะห้าแ 0,000 บาทเพื่อไปสมทบพ้าป่าของ หลวงตาด็อกเตอร์หลวงตาด็อกเตอร์กคงจะไม่มีอะไรนะคงจะรวบรวมคณะสัตยาติโยมแต่หลวงพ่อก็ได้พูดกับหลวงตาด็อกเตอร์ก่อนหน้านี้บอกเออหลวงตาได้ยินว่าหลวงตาบั้นตาดนะ่ท่านบอกเออวัดแถวนี้ไม่มีเลยที่เราจะลงมามีแต่เขาใหญ่กับทนี่เหรอนะ่ก็เลยล อ, ลองเสนอไปดูซิ ว่าวัดป่าพี่ไมหลวงตาจะเมตตามาที่นี่ไหมถ้าหลวงตามาที่นี่ก็ดีคณะศรัทธาญาติโยมมาจากกรุงเทพก็ขึ้นมาเจอหลวงตาที่นี่ก็ได้อลองเสนอดูซิพอหลวงตาดรตอร์ทำจดหมายไปที่วัดป่าบ้านตาหลวงตาก็รับท่านก็ไม่เคยเห็นนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หลวงตา ไปเห็นวัดพิมายเนี่ยแหะวันพุ่งนี้แหละท่านจะได้ไปแล้วก็พร้อม ก, กันก็ทางวัดป่าพิมายไปจัดคณะรทายาทโยมที่รู้จักมักคุ้นมาร่วมกันทอดผ้าป่าถวายหลวงตาเพื่อเป็นการสงเคราะห์โลกแต่หลวงพ่อกับในนามเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดป่าพิมายหลวงพ่อเองเป็นผู้ริเริ่มให้หลวงตาด็อกเตอร์เสนอ หลวงตาบันตาหนะลวงพ่อเออหลวงพ่อจะร่วมสมทบมาดนะ้วยเพื่อถวายหลวงตาให้หลวงตาช่วยสงเคราะห์โลกก็มอบไปและมูววานะเล อ, อวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่สามเมษาห้าสามวันพรุ่งนี้จะมีการบวชพระสององค์นะ การสัทธาญาติโยมลูกหลานผู้ใดอยากจะมาร่วมบวชพระไว้ในพระพุทธศาสนาสององค์อาจารย์หมอเป็นลูกศิษย์ลูกหาองค์หลวงตาเรานั่นแหละแล้วก็ทั้งในช่างทั้งคุณเพนสวัสดในช่างพิพัฒรู้จักหลวงพ่อมาตั้งแต่หลวงพ่อเป็นพระน้อยพระหนุ่มเคยไปพักกรุงเทพ สองตายายเนี่ยได้ดูแลอุ ป, รรปถัมภะถากหลวงพ่อเคยไปพักที่กรุงเทพเนี่ยะจากนั้นมาหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ก็ห่างไกลสองตายายคุณเป็นสวัสดในช่างพิพัฒน์ลูกหลานนั้นก็ไปดูแลปณิบัติอุ ป, ปถัมภะถากหลวงตามหาบัวมาตั้งแต่ 2,500 หถ้าหลวงพ่อจะไม่ผิด14หรือ15เนี่ยนะ ขนาดตันแล้วว่างันแต่ด็เตรชามาก่อนด็เตชาวมาตั้งแต่ 2,512 มาหลังที่หลังหลงพ่อหน่อยหนึ่งหลวงพ่อเข้าไปบัญญัติ 2,512 นะหลวงพ่อเข้าไปยังไม่ถึงปีท่านด็เตรชาท่านสมัยนั้นท่านเป็นรองผู้ว่าการรถไฟท่านก็เลยได้เข้ามากราบหลวงตาจากนั้นมาก็นั่นน่ะพาคณะรถไฟมาม า, มากทีเดียวหลายกู่หลายคน ในจังวัฒนาในจังพิพัฒน์สเทพหลายๆคนพาเข้ามาวัดของหลวงตาคณะกลุ่มรถไฟเนันน่ะในคราวนี้ได้ลูกหลานของท่านจะได้มาบวชวันที่สี่อาทิตย์ที่สี่ที่จะถึงเนี่ยแล้วก็วันที่สิบจะบวชอีกองคหนึ่งบวชภาคฤดูร้อนถึงจะมีเวลาน้อยเกอการบวชเสียสละ ก่อนที่จะบวชได้ก็ไม่ใช่ว่าคิดได้แล้วคิดบวชทีเดียวว่คิดใช้เวลานานพอสมควรจึงได้บวชเพราะฉะนั้นผู้ที่บวชก็ได้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ดีที่ได้มาบวชพระหรือว่าผู้ที่ได้บวชพระก็ทั้งอกตั้งใจนั่นแหะในหลักของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อเคยพูดว่าพญาธรรมโสกราชพญาธรรมโสกราชท่านสร้าง พระพุทธเจ้าพริรนิพานสามร้อยกว่าปีพญาโศกราชเนี่ยพญาโศกเนี่ยก็เกิดขึ้นมาในยุคนั้นก็เกิดศรัทธานในพระพุทธศาสนาได้สร้างถาวรวัตถุไว้ในอินเดียมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ยังเหลือร่องรอยกระทั่งทุกวันนี้คือฝีมือของพญาธรรมโศ ท่านบอกว่าพระธรรมแปดมืนสีพันพระธรรมขันก็จะได้สร้างถาวรวัตถุให้ครบแปด0มืนสีพันพระธรรมขันแปดหมื่นสีพันอย่างแปด0มืนสีพันชิ้นสุดแท้แต่ชุมชนใดจะสร้างใหญ่มากน้อยแค่ไหนตามกำลังศรัทธาถ้าชุมชนใหญ่ก็สร้างเจดีย์ใหญ่ถ้าชุมชนเล็กก็สร้างเจดีย์เล็ก ท่านประกาศให้สร้างเพื่อบูชาพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ของพระพุทธทเจ้าในเมื่อสร้างเสร็จแล้วท่านก็ฉลองพร้อมกันจัดฉลองพร้อมกันทุกวันนี่ก็คงจะเป็นประธานสงฆ์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชอย่างนี้แหละท่านก็เป็นประธานสงฆ์เมื่อฉลองพร้อมกันพระยาธรรมโศกราชได้ถาม ประทานสงว่าหมอมฉันได้นับถือพระพุทธศาสนาในอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาเป็นพุทธมามกะพุทธบริษัทและได้สร้างทาวรวัตถุบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ไว้ในพระพุทธศาสนาถึง8ปดหมพันชิ้นจะจัดว่าข้าพระองค์ได้เป็นทายาทของพระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิดกระยัง ไเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือยังครับผมประธานสงบอกว่ายังอันนี้เป็นเพียงแต่ศาสนามเป็นผู้อุปถมัมภ์เนี่ยเป็นผู้อุปถัมภ์พกเป็นผู้ค้ําชูเป็นผู้ค้ําจุนพระพุทธศาสนาไม่ใช่ทายาทยังไม่จัดว่าทายาทถ้าหากว่าพระองค์ อยากจะเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาก็ให้พระองค์บวชลูกชายหรือบวชลูกสาวเพื่ออุทิศไว้ในพระพุทธศาสนาอันนั้นจะเป็นทายาทที่แท้จริงอันนี้คือประธานสงฆ์ท่านพูดท่านว่าท่านได้บวชลูกชายลูกสาวไว้ในพระพุทธศาสนานั่นแหละคือทายาท อันนี้ยังเป็นสาสนูประถมพกอยู่พระยาธรรมโศกราชกัเลยเลือบไปมองเห็นพระมาหินที่เป็นลูกชายบอกว่ามหินบวชให้พ่อได้ไหมลูกพระมหินบอกว่าได้พระเจ้าข่าพระยาคะาได้เพราะว่าลูกชายเขอยากจะบวชอยู่แล้วพระมหินก็เลยหันไปทางนางสังฆมิตาสังฆมิตาบวชให้พ่อได้ไหมลูกได้ได้พระยาข้า นางสังฆมิตราก็เลยบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาส่วนพระมหินก็ได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาในเมื่อบวชเป็นพระและเป็นภิกษุณีแล้วก็ได้มาที่ศีลังกาเนี่ยพระบิดาพระเจ้าพญาโศกก็ได้ส่งมาที่ศีลังกาที่มาสร้างพระพระเขี้ยวแก้วน่ะแล้วก็มาสร้างวิหารพระเขี้ยวแก้ว และกับปลูกต้นโพที่สีลังกานี่แหละพญาอาโศกเนี่ยส่งพระมหินกับส่งนางสังขมิตาได้มาประกาศศาสนาที่สีลังกาได้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยุคนั้นน่ะมาถึงยุคนี้นี่แหละอันนี้คือทายาทเพราะนั้นผู้ที่ได้นำลูกชายก็ดีลูกสาวก็ดี บวชในพระพุทธศาสนาท่านบอกเป็นทายาทเพราะเหตุใดเพราะเลือดเนื้อเชื้อไข ข, ของของเราเองได้มาอุทิศตนในพระพุทธศาสนานี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเอาไว้ว่าพระพุทธศาสนาหรือว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บวชมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่บวชในพระพุทธศาสนาอุทิตตนเพื่อบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอุทิศตน บทในพุทธศาสนาเพื่อปฏิบัติอย่างพระมหินพ่ะมหินท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันนะนางสังฆมิตราท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันเหมือนกันอันนี้แหละคือพยาอโศกราชสรุปแล้วก็คือถึงจะสร้างถาวรวัตถุมากมายขนาดไหนสร้างวัดสร้างว่าสร้างสิ่งวัตถุมากมายขนาดไหนก็ยังไม่จัดว่าเป็นทายาท เพราะยังไม่ใช่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเราเองได้มาบวชในพระพุทธศาสนาได้มาปฏิบัติธรรมในความหมายเรื่องนี้เหมือนกันแในพระสูตรในเรื่องนี้ที่พระประธานที่ประธานสูงในยุคนั้นท่านให้เหตุผลแต่ถึงยังไงพวกเราได้มากราบได้มายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสูง์เป็นสรณะนะเป็นที่พึ่ง ยึดแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสั่งสอนอย่างไรนนันหลักของพุทธศาสนาพระุทธเจ้าสั่งสอนอะไรสําหรับญาติโยมท่านสอนอะไรสําหรับพระในพระพุทธศาสนาท่านสอนอะไรสําหรับญาติโยมท่านก็ให้เน้นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาบ้างแต่ท่านให้เน้นการอยู่ด้วยกันให้รู้จักการวางตัวให้รู้จักการธรรมาหาเลี้ยงชีพ ให้รู้จักสัมมาชีพสัมมาชีพคืออะไรคือเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ำให้รู้จักพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติญาติมิตรสหายเมื่อเราเป็นลูกเราควรจะทำตนอย่างไรให้เคารพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพ่อแม่คือบิดามารดาของตนเองต่อปู่ย่าตายายของตนเองเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนใ้ทิศหก ทิศหพวกเราได้ยินแต่ทิศสี่กับทิศแปดทิศสี่ก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตะวันตกทิศแปดก็คือทิศอุดรอีสานบูรพาอาคเนทักสินอันนี้ก็คือทิศแดแต่ทิศหกในพวกเราไม่ได้ศึกษาแต่ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้เคารพทิศหกทิศหกคืออะไรก็คือทิศเบื้องหน้าบิดามารดา เราควรปฏิบัติตนอย่างไรในเมื่อเราเป็นลูกควรปฏิบัติตำตนอย่างไรกับพ่อแม่อย่าไปถกอย่าไปเถียงท่านอย่าไปก้าวไกลท่านให้เคารพนับถือท่านท่านบอกกล่าวอย่างไงเราต้องเป็นผู้ฟังถ้าเว้นเสียพ่อแม่เราออกนอกลูกนอกทางเกินไปก็พยายามพูดด้วยความเจตนาดีด้วยความรักเคารพไม่ใช่โชคหกหาก ดูถูกเหยียดหยามท่านทําให้ท่านเสียใจอันนี้คือในฐานะลูกทิศเบื้องหน้ามารดาบิดา ค, ควรจะทําตนอย่างไรกับบิดามารดาของตนเองเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเราควรจะเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศุลประพฤตินตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกประพฤตินตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกประพฤตินตนอย่างไร ถ้าเราประพฤติตนไม่ดีกินเหล้าเมายาสเเัมมาเลเทเมาขายยาบ่งขายยาบ้าคัญช่ายยาฟินคบคนชั่วนักเลงหัวไม้แล้วจะให้พ่อแม่มอบมรดกให้เราได้อย่างไรเพราะเราทําตนไว้ไม่ชอบแต่เมื่อเราทําตนไว้ชอบเป็นสมมาชีพให้เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจทําการทํางานธรรมาหาเลี้ยงชีพอยู่ในกรอบของศีลธรรมจริย่ธรรมเป็นที่ยอมรับของ ชุมชนสังคมในยุคนั้นพ่อแม่ก็พร้อมที่จะมอบมรดกให้เพราะเหตุไรเพราะพ่อแม่หามาแล้วไม่ใช่หาเพื่อใครหาเพื่อให้ลูกทั้งนั้นไม่ใช่หาใครให้ใครอื่นที่เก็บพร้อมรอมริบไปเลยกัเพื่อตัวของท่านเองแล้วก็เพื่อลูกเพราะฉะนั้นในฐานะเราเป็นลูกเราควรทําตนวยังไงเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจวัตรของท่านดํารงวงศกุล ก็พึ่นตนให้สูงควรควรรับทรัพย์มรดกแต่ถ้าว่าพวกเราทำตนไม่ดีพ่อแม่ไล่ออกจากกองมรดกนะอันนี้แปลว่าทำไม่ถูกต้องต่อทิศทั้งหต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมกายของเราแต่ทิศเบื้องหลังสามีภรรยาในเมื่อเราเป็นสามีเราก็ต้องวางตัวให้ถูกอย่าใช้อํานาจบาดใหญ่จนเกินไปในเมื่อเป็นภรรยาก็เหมือนกันให้เคารพจิ์ซึ่งกันและกัน ให้รักเมตตากันเอาไว้เพราะชีวิตทั้งชีวิตของเราไม่มีใครที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้นอกจากคู่สามีภรรยาเท่านั้นเราพึ่งพ่อพึ่งแม่กับเท่านั้นพึ่งพี่พึ่งน้องกับเท่านั้นเพึ่งสามีภรรยาเนี่ยออถึงจะเป็นมาจากตระกูลไหนก็ตามถึงมาอยู่ด้วยกันแล้วก็คืออันหนึ่งอันเดียวกันเมตตาต่อกันนี่แหละถ้าว่าผู้ใดวางตัวถูกในสามีภรรยาครอบครัวนั้นก็มีความร่มเย็นเป็นสุข เออเป็นอนันตการไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะใจเขาใจเราอันนี้คือทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทุกคนเกิดมาต้องมีครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ที่นี่หลวงพ่อกําลังพูดนี่แหละหลวงพ่อสั่งสอนแล้นเออนนั้นควรอันนี้ไม่ควรอันนั้นพ่อนี่อันนี้แม่เนี่ยอันนี้สามีภรรยานะเออควรทําตนอย่างไรนี่นี่แหละคือครูบาอาจารย์ในระดับหนึ่ง ครูบาอาจารย์มีหลายระดับมีสอนสอนปถมมัธยมกอไก่เอบีซดีตลอดถึงสอนเรื่องธรรมมาหาเลี้ยงฉีบธรรมมาค้าขายวิชาบัญชงบัญชีธรรมมาเกษตรวิชากฎหมายวิชามากมายถ้าจะว่าไปแล้วคืออันนี้ล้วนแล้วจะเป็นครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนพวกเราปฏิบัติตนยังไงกับครูบาอาจารย์ ไปแข่งกันด้างต่ออาจารย์หรือด่าอาจารย์มันก็ไม่ได้อาจารย์ก็ไม่ประสิทธิ์ประสาทไม่ปล่อยวิชาให้เก่เราเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าครูบาอาจารย์พวกเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อเห็นครูบาอาจารย์เดินเข้ามาลุกขึ้นยืนรับเข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถากด้วยเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพ เนื่อเมื่อเรียนจิตราวิทยาก็อยู่ในความสงบฟังศึกษาในแนวแถวความคิดของท่านอันนี้คือสิทธิ์ควรปฏิบัติตนอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนนะทีนี้ทิศเปิงซ้ายมิตรสหาหิทิศเปิงซ้ายคือคนเราต้องมีหมู่มีเพื่อนมีพักมีพวกจะต้องดูแลเกื้อกูลหนุนกัน ถ้าพวกเราไม่มีที่ปรึกษาไม่มีพักมีพวกไม่มีมิตรมีสหายแล้วเราจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นไปไม่ได้เนี่ยเพราะว่าส่งไปที่ไหนไม่มีใครเป็นหูเป็นตาให้แก่เราไม่มีพักมีพวกไม่มีหมู่มีเพื่อนถ้าใครมีกัญยาณมิตรที่ดีมีหมู่พวกเพื่อนที่ดีมีเป็นกัญาณมิตรอันนั้นหละเจริญรุ่งเรืองถ้าว่าใครก็ตามไปคบปลาประมิตรคือมิตรชั่วนะ มิตรความจีบหายนี่แหละมิตรนี่ก็สำคัญอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการครบมิตรนี่ก็จำเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลาย น, นี่บอกกัญยาณมิตรอันนี้คือทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่ำเบ่าวคือคนรับใช้คือคนงานพวกเราจะต้องดูแลการงานงานทุกอย่างก็ต้องมีลูกน้องบริวารเพราะนั้นเราก็ต้องแบ่งสรรปันส่วน ให้แก่ลูกน้องบริวารว่าเขาตกทุกข์ได้ยากอย่างไรเขาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรเราที่เป็นเจ้านายที่เป็นหัวหน้าเขาเราก็ต้องมองมองลูกน้องถ้าลูกน้องได้รับความเป็นธรรมจากเราได้รับการแบ่งสรรปันส่วนจากเราโดยเป็นธรรมเขาก็มีน้ําจิตน้ําใจเขาก็ไม่อยากจะหนีจากเราเราสั่งการงานอันไหนลงไปรื่นไหลรื่นไปหมดเพราะเหตุใดเพราะว่าลูกน้องของเราเคารพ รับเจ้านายแล้วก็เจ้านายก็ให้ความเป็นธรรมแก่ลูกน้องไอ้ น, นี้แหละคือทิธเบื้องต่ําบ่าเทศเบื้องบนสมณะพราหมณ์สมณะพราหมณ์ไปอย่างที่หลวงพ่อเนี่ยแนะนําสั่งสอนอันนั้นบาปนะอันนี้บุญนะอันนั้นคุณอันนั้นโทษอันนั้นนรกอันนั้นสวรรค์นะสอนเรื่องจิตวิญญาณแนวความคิดของพวกเราเพราะพวกเราเนี่ยมีแต่ทํามาหาเลี้ยงชีพอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องมีแนวความคิดให้เป็นสัมมาทิฏฐิอีกคิดยังไงมันจะถูกคิดยังไงมันผิดคิดยังไงมันเบียดเบียนคนอื่นคิดยังไงมันจึงจะถูกต้องตามหลักธรรมจำจริยธรรมตามแนวแถวทิโบิดีโบราณเขาสอนกันมาอันนี้ทิศเบื้องบนส ม, มณะพราหมณ์เนี่ยท่านจะต้องไปศึกษาค้นคว้า ในตำรับตำราบ้างได้ประสบการณ์บ้างได้สังเกตการบ้างต้องใช้ปัญญาเหมือนกันแล้วจากนั้นก็นํามาสอนศรัทธาญาติโยมลูกหลานให้รู้จักดีให้รู้จักชั่วเนะ้อให้รู้จักเคารพปิดามารดานเะน้อให้เคารพในสามีภรรยานะ้ให้เคารพครูบาอาจารยเนนะ้อให้เคารพมิตรสหายเนะ้อให้เคารพคนที่ต่ําร่ด้อยกวานนะ่าเน้อให้ดูแลให้ทั่วถึงนะ้ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายปฏิบัติถูกในทิศ ท, ทั้งหกแล้ว ชีวิตทั้งชีวิตของพวกท่านทั้งหลายจะราบรื่นจะมี ม, มีอุปสรรคการงานทุกสิ่งทุกอย่างจะไหลรื่นไปด้วยดีแต่ถ้าว่าพวกเราทําไม่ถูกนะกับพ่อขอบแม่กับเราห้องของแหงกับภรรยาก็ไม่เข้าใจกันกับครูบาอาจารย์ก็ดูถูกครูบาอาจารย์ทั้งมิตรสหายก็มีแต่หักเกราะหักเกลี่ยมกันทั้งเบื้องต่ําลูกน้องบริวารก็มีแต่จะกินเขา เขาไม่ให้ความเคารพแล้วชีวิตของเราจะราบรื่นได้อย่างไรเพราะเหตุใดเพราะเราปฏิบัติไม่ถูกในทิศทั้งหกนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเจริญอยู่ที่กรุงราชคือท่านสอนสิงคาลมานพอย่างเนี้ยอันนี้คือพระพุทธเจ้าสอนนะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านะสิงคาลมานบที่เป็นลูกเศรษฐีเนี่ยไปไหว้ทิศทั้งหกไหว้ปลกตอนเชา้าตอนเย็นตอนเชา้าตอนเย็นไหว้ทิศทั้งห เพราะพุทธายาวเอ้ยสิงขาลมานพ ก, การไหว้ทิศตะหกของแกนะไม่ถูกนะตามอริยะประเพณีตามทํานองครองธรรมที่เป็นมาการไหว้ทิศตะหกไม่ไม่เกิดประโยชน์ไหว้ทิศเหนือไหว้ทิศใต้ไหว้ทิศ ต, ตะวันออกแล้วเขไหว้ทิศ ต, ตะวันตกไหว้ทิศเบื้องสูงแล้ไวไหว้ทิศเบื้องต่นะําเนี่ยแหมมันไม่ถูกตามไม่จริงทางที่ถูกต้องเนะ่ะตามอริยะประเพณีตามทฤศเจดีที่สอนกันมาเนะี่ยเขาจะไหว้อย่างนี้ พระพุทธเจ้าสอนฟังนะสิงคายละมานพนะมานพอปนมมือฟังไนงะพระพุทธเจ้าก็สอนทิฏทั้งหกคืออย่างนี้นะมานพนะถ้าว่ามานพปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามทํานองครองทำตามทิฏทั้งหนี้มีแต่ความเจริญในการเป็นอยู่จะไม่กระทบกระทั่งเนี่ยเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งชีวิตจะราบรื่นการคบค้าสมาคมก็ให้เลือก ไม่ใช่ว่าเห็นคนมาก็จะเป็นมิตรเป็นสหายของเราทั้งหมดไม่ใช่เราต้องเลือกคอบลูกน้องของเราก็เหมือนกันเราต้องเลือกเลือกลูกน้องอีกให้เป็นคนดีมีสมาธิิไม่ใช่ว่าลูกน้องของเรากินเหล้าเมายาก็ยังมาเลี้ยงไว้อยู่มันก็จิบหายอีกเหมือนกันนะเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดนี่แหละอันนี้คือการวางตัวจากนั้นการวางตัวเสร็จแล้วพุทธเจ้าไม่ได้สอนเพียงแค่นั้นนะแนวความคิดต่อไปภายภาคหน้าอีกนะ ถึงพวกเราจะทำดีขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งข้าไปเจ้าพวกเราจะต้องทิ้งทั้งหมดอีกเหมือนกันทิ้งกันทางร่างกายของตอนเองนี่ต้องคิดไว้นะต้องคิดไว้นะจุดนี้ต้องคิดไว้เพราะเหตุใดเพราะเราเกิดมาแล้วต้องมีวีซายมมาโทษเขาเขียนวีซ่าไว้รอคอยแล้วอีกสักวันหนึ่งวันดีคืนดีวีซ่าจะมาถึงเราก็ได้ เมื่อใดเราได้รับวีซ่าแล้วนะเราจะเดินทางต่า ง, างประเทศนะทุกคนต้องเดินทางต่างประเทศกลับบ้านเก่าไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินฉลายต้องคิดไว้นะแต่ก่อนที่เราจะเดินทางกลับนั้นเราได้เตรียมสเสบียงไว้หรื อ, อยังเราได้เตรียมเงินใส่กระเป๋าไว้หรือยังถ้าเรายัางไม่ได้เตรียมสเสบียงหรือเตรียมเงินใส่กระเป๋าเอาไว้เราต้องไม่ไว้ใจในชีวิตในการเดินทางนะต่อไปภ่ า, านภาคานเราต้องทุกแน่นะ เะเหไรเพราะเราไม่ได้เตรียมสเสบียงเอาไว้เพราะฉะนั้นการเตรียมสเสบียงเอาไวนะ้น่ะคืออะไรศาสนาพุทธยาสอนให้ทานเนอะรักษาศีลเนอนะภาวนานะให้ภาวนาเนะี่ยแหละสำคัญไม่ได้ลงทุนอะไรมากแค่นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบนี่แหละเป็นหนทางของพระพุทธศาสนาที่ท่านสอนท่านบอกว่าเราไปพิสูจน์ดูแล้วนะตายแล้วไม่สูญนะ เ, เราไปพิสูจนที่โคนต้นโพมาแล้ว ได้ตัดสรุปรมแล้วในคืนวันนั้นน่ะไม่ตายตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอกีกสิ่งแท่้เกิดก็คือวิญญาณคือนามธรรมคือใจนี่แหละตัวนี้แหละเป็นใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราถ้าตัวนี้ใจดวงนี้ชั่วช้าลามกคิดไปในทางอากุศลทอย่างร่างกายก็ทําไปในทางชั่วถ้าใจของเราคิดดีการกระทําก็ดีการพูดก็ดีนี่แหละหละักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอน ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายให้พวกเราทั้งหลายนึกคิดใช้ปัญญาไตรตรองด้วยเหตุและผลพวกเราจะรู้ได้ว่าทำคำสอนของพระพุทธศาสนาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าลึกซึ้งนะจะนำมาใช้เป็นทฤษฎีบริหารจัดการทางโลกก็ได้ราบรื่นมองคนออกถ้าว่าเรานำมาประพฤติปฏิบัติกับตนเองก็เป็น คุณเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อครอบครัวต่อพี่น้องต่อวงศาการายาธทางนั้นนะเพราะด้านั้นขอให้พวกเราคณะสัทธายาติโยมทุกท่นนานนะที่จะยินได้ฟังแนวพุทธศาสนาที่พระพุทธเจา้าที่หลวงพ่อได้กล่าวแนะนำหลงพ่อว่าถูกต้องทำคำสอนของพระพุทธเจา้าหาที่แย้งไม่ได้เอาตอนนี้ไปรับพร